เรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่9มิถุนายนพุทธศักราช2556เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่าจากภาวกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาสร้างสมณะที่พึ่งที่ถาวรที่พึ่งที่แท้จริงด้วยความศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่แท้จริงนละนถาวรตอนนี้พวกเรายัางไม่ได้ที่พึ่งที่ถาวรเรายัางพึ่งที่พึ่งชั่วคราวอยู่ ที่พึ่งชั่วเราของเราก็คือร่างกายและสิ่งต่างๆที่ร่างกายจะสารหามาใ้เป็นที่พึ่งที่บางทีก็ดับความทุกข์ได้บางทีก็ดับความทุกข์ไม่ได้บางทีก็ให้ความสุขบางทีก็ไม่ให้ความสุขเพราะที่พึ่งของเราตอนนี้เป็นที่พึ่งที่ยังไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเอง ยังอยู่ภายใต้กฎของอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ถ้าเรายังไม่เข้าถึงที่พึ่งที่ถาวรเราก็ต้องพยายามเข้าหาให้ได้เพราะว่าไม่เช่นนั้นเวลาที่ที่พึ่งชั่วคราวของเราหมดสภาพไปหรือไม่สามารถให้ความสุขให้กับเราได้ เวลานั้นใจของเราจะไม่มีที่พึ่งเลยดังนั้นเราควรที่จะหาเวลามาสร้างที่พึ่งที่แท้จริงที่พึ่งที่ถาวรที่พึ่งที่จะดับความทุกข์ทั้งหมดได้ที่พึ่งที่จะให้ความสุขอย่างถ้าวรกับเราได้ไปตลอด ดังที่พระพุทธเจ้าและพออาาระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ถึงที่พึ่งนี้แล้วด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติข้อใหญ่ๆอยู่สามข้อด้วยกันก็คือหนึ่งทำบุญสองละบาปสามชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือบันไดหรือทาน ที่จะพาให้เราเข้าถึงที่พึ่งที่แท้จริงเมื่อเราได้ถึงที่พึ่งที่แท้จริงนี้แล้วเราก็ไม่ต้องอาศัยที่พึ่งชั่วคราวนี้ต่อไป <c oughs> ร่างกายของเราจะเป็นอะไรอย่างไรจะแก่จะเจ็บจะตาย <c oughs> ก็ไม่เป็นปัญหาต่อไปเพราะเรามีที่พึ่งที่ดีกว่า ที่จะคุ้มครองรักษาจิตใจของเราให้ปลอดภัยจากความทุกข์ทั้งหลายให้มีแต่คายย้อมเย็นเป็นสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือสิ่งที่พวกเราควรจะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้เพราะว่าเป็นสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่เราอย่างยิ่ง สิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เป็นประโยชน์เพียงชั่วคราวและไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ภายในใจของเราได้ไม่สามารถให้ความสุขที่ทาวรนที่ทำให้เรามีความอิ่มมีความพอไปได้ตลอดดังนั้นเราควรที่จะเลิกหาสิ่งต่างๆในโลกนี้มาเป็นที่พึ่ง ก็เราก็ได้พึ่งมานานพอสมควรแล้วถ้าเป็นที่พึ่งที่แท้จริงเราก็ควรจะไม่มีความทุกข์อยู่ในใจของเราแล้วเราควรจะมีแต่ความสุขอยู่ตลอดเวลาแต่นี่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าเรากําลังหาที่พึ่งที่ผิดที่พึ่งที่ไม่ใช่เป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงนั่นเอง เราจึงควรเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคำสอนเชื่อพระอำำริอาอายสงสารโลกทั้งหลายเพราะท่านเหล่านี้ได้เข้าถึงที่พึ่งที่แท้จริงแล้วแล้วหลังจากนั้นท่านจึงเอาความจริงอันนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ยังไม่รู้ยังไม่พบความจริงอันนี้ ผู้ที่ได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้ามีศรัทธามีความเชื่อและวน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็จะได้พบกับที่พึ่งที่แท้จริงดังที่ได้มีการปฏิบัติและมีการพบที่พึ่งนี้มาตั้งแต่สมัยพระพุทธการ <c oughs> จนมาถึงสมัยปัจจุบันนี้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ เนอาการิโกคือไม่มีไม่เสื่อมไปตามการตามเวลามีประสิทธิภาพอย่างไรในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ประกาศสั่งสอนก็ในสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอย่างในสมัยนี้ประสิทธิภาพของพระธรรมคาสอนที่จะเป็นที่พึ่งให้แก่สารโลกได้ก็ยังมีประสิทธิ มีประสิทธิภาพเหมือนเดิมอยู่ที่ผู้ปฏิบัติเท่านั้นว่าจะปฏิบัติเหมือนกับผู้ที่ปฏิบัติในสมัยพระพุทธการหรือเปล่าในสมัยพระพุทธการมีผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนจึงปรากฏเป็นพระอริยสงสาวุ ขึ้นมากันเป็นจำนวนมากในสมัยนี้การที่เราไม่ได้มีผู้ที่ได้บรรลุถึงที่เพึ่งองานประเสริฐนี้กันมากนะักก็เป็นเพราะว่าผู้ปฏิบัติไม่ได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัตินั่นเองไม่ได้อยู่ที่พระธรรมคำสอนอย่าไปโทษพระธรรมคำสอนว่าเป็นของเก่าของที่หมด สิทธิภาพไปแล้วไม่สามารถยังประโยชน์ยังผลให้แก่ผู้ปฏิบัติได้อันนี้เราต้องไม่คิดอย่างดีเราต้องนึกถึงผู้ที่เขาสามารถปฏิบัติและยังระลึกประโยชน์จากการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ขอให้เรากลับมามองที่ตัวเราว่าเรากําลัง กระทำอะไรกันอยู่เรากําลังสร้างสารณที่พึ่งที่แท้จริงหรือว่าเรายังกําลังสร้างสารณที่พึ่งชั่วคราวหรือกําลังรักษาปกป้องที่พึ่งชั่วคราวของเราอยู่ถ้าเราพิจารณาแนละ้วเราก็จะได้รู้ว่าการดําเนินชีวิตของเรานั้นกําลังดําเนินไปทางใด อั่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาอยู่เรื่องๆว่าการละเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังสร้างสราระที่พึ่งแบบไหนกันากาลังสร้างที่พึ่งที่ชั่วคราวหรือสร้างที่พึ่งถาวรถ้าเราสร้างที่พึ่งชั่วคราวเราก็จะต้องเผชิญกับความทุกข์ต่อไป ในยานที่ที่พึ่งชั่วคราวนี้หมดสภาพไปถ้าเราพึ่งที่พึ่งที่ถาวรเราก็จะมีที่พึ่งไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้มีที่พึ่งที่ถาวรนี้แล้วพวกเราก็สามารถมีที่พึ่งนี้ได้เช่นเดียวกัน ถ้าเราทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราให้กับการปฏิบัติภารกิจที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้พวกเราปฏิบัติกันก็คือให้ทําบุญให้ถึงพร้อมให้ละบาปทั้งปวงและให้จําระใจให้สะอาด บ, บริสุทธิ์คือให้กําจัดความโลภความโกรธความหลงให้กําจัดความอยากต่างๆ ให้หมดไปจากใจข้อที่1ก็คือเราต้องทำความดีทำบุญถ้าเรายังทำบุญทำความดีไม่ได้เราจะทำข้อที่สองไม่ได้คือการไม่ทำบาปถ้าเราทำข้อที่1ได้แล้วการทำข้อที่สองก็จะเป็นการกระทำที่ง่ายดายไม่ยากเย็นถ้าเราทำข้อที่1ข้อที่สองได้แล้ว เราก็จะทำข้อที่สามได้คือชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะข้ามขั้นตอนของการปฏิบัติก็เป็นเหมือนกันกับการหัดเดินหัดวิง่งก่อนที่เราจะวิ่งได้เดินได้เราก็ต้องยืนให้ได้ก่อนถ้าเรายังคลานอยู่เราจะไม่สามารถเดินได้วิ่งได้ ก่อนที่เราจะเดินได้วิ่งได้เราก็ต้องยืนขึ้นมาก่อนพอยืนได้แล้วขั้นต่อไปเราก็จะเดินได้พอเดินได้แล้วขั้นต่อไปเราก็จะวิ่งได้ฉัในใดก่อนที่เราจะทำรักใจให้สะอาบดบริสุทธิ์ได้เราก็ต้องทาความดีก่อนทาบุญก่อนเมื่อเราทำบุญแล้วเราก็จะได้รักบาปได้ พอเราละบาปได้เราก็จะชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ดังนั้นขอให้เราพยายามทำบุญกันให้มากบุญนี้แปลว่าการกระทําที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ที่ไม่เป็นโทษกับตัเองก็ดีกับผู้อื่นก็ดีหรือทั้งกับตนเองและแก่ผู้อืน่น การทำความดีจึงไม่ได้อยู่ที่บุคคลที่เราทำความดีด้วยเราสามารถทำความดีกับบุคคลได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือจะเป็นขาลราชญาติโยหรือจะเป็นเดรัจฉานการทำความดีนี้เป็นการทำให้ใจของเรามีความเมตตากรุณา ใจที่มีความเมตตากรุณ า, าจะมีความสงบจะมีความเย็ยนจะมีความสบายความสงบความเย็ยนสบายนี่แลลวเป็นสาระของใจเพียงแต่ว่ายังไม่ได้สงบได้เย็ยนอย่างเต็มที่เป็นเพียงขั้นเริ่มต้นเพื่อที่จะได้นำไปสู่ขั้นต่อไปพอเราทำดุล ได้แล้วเรามีจิตเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความปรารถนาดีต่อมวลมนุษย์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเราก็จะไม่อยากจะคิดร้ายพูดร้ายหรือทําร้ายผู้อื่นเพราะใจที่มีความเมตตาย่อมไม่ย่อมไม่ชอบการคิดร้ายพูดร้ายทําร้ายต่อผู้อื่นนั่นเอง เราก็จะละบาปได้เราก็จะละการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสพสุรายาเมาได้พอเราละการกระทำบาปได้ใจของเราก็จะสงบเย็นขึ้นไปอีกระดับหนึ่งจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นมีความสบายใจเพิ่มมากขึ้นไปก็จะทําให้เราสามารถ ทำงานขั้นที่สามได้ก็คือการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์การจะชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ก็ต้องทำให้ใจสงบนั่นเองถ้าใจไม่สงบนี้จะไม่สามารถกำจัดความโลภความโกรธความหลงจะไม่สามารถกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ ดังนั้นหลังจากที่เราทําบุญได้แล้วรักษาสี่งได้แล้วขั้นต่อไปเราก็มาชําระใจของเราให้สาการจะชําระใจให้สา น, นี้ก็ต้องมีปัจจัยสนับสนุนปัจจัยภายนอกก็คือเราต้องมีสถานที่สงบสะัาดวิเวกห่างไกลจากแสงสีเสียง ห่างไกลจากบุคคลห่างไกลจากเหตุการ์เรื่องราวต่างๆเพราะถ้าเราอยู่ใกล้เหตุการ์อยู่ใกล้แสงสีเสียงเราก็จะถูกเหตุการ์แสงสีเสียงต่างๆมาดึงใจให้ออกไปว้าุ่นขุนมัวกับเหตุการ์ต่างๆดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติที่อยากจะทำใจให้สงบจึงควรหาสถานที่สงบสงบ ถ้าไปอยู่ตามป่าตามเขาได้ก็จะเป็นสถานที่ที่ดีมากแต่ถ้ายังไม่สามารถไปตามป่าตามเขาได้ถ้าต้องอยู่ที่บ้านก็หาห้องที่สงบไม่มีใครรบกวนแล้วก็ผ o n คับตัวเองให้ปฏิบัติอยู่ในห้องนั้นไปด้วยการควบคุมจิตใจ ไม่ให้คิดปรุงแต่งเพราะความคิดปรุงแต่งจะทำให้จิตใจนี้ไม่สงบจิตใจสงบได้ต้องยุติหยุดความคิดปรุงแต่งดังนั้นพอเรามีสถานที่สงบแล้วเราก็ควรที่จ ะ, จะเจริญสติอย่างต่อเนื่องควบคุมความคิดปรุงแต่งให้มีน้อยลงไปเรื่อยๆจน ถึงเวลาที่เรานั่งสมาธิเราก็จะสามารถทําให้ความคิดปรุงแต่งงันหยุดไปได้ชั่วคราวถ้าความคิดปรุงแต่งหยุดไปแล้วความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆก็จะหยุดทํางานไปชั่วคราวเพราะความโลภความอยากนี้ต้องใช้ความคิดเป็นเครื่องมือ พอความคิดไม่ทำงานความโลภความอยากก็จะไม่สามารถทำงานได้พอความโลภความอยากไม่ทำงานก็จะทำให้ใจมีความเย็นมีความสงบมีความสบายมีความอิ่มมีความพอขึ้นมานี่คือความสงบที่เราจะได้จากได้รับจากการควบคุมความคิดปรุงแต่งของเรา อุบายที่จะใช้ในการควบคุมความคิดปรุงแต่งนี้ก็คือสตินี่เองสตินี้เวลาที่เราจะสร้างให้เกิดขึ้นมาก็มีวิธีสร้างได้หลายชนิดด้วยกันถ้าเราใช้พุทธานุสติเราก็ใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธอันนี้ก็เป็นการสร้างสติให้มีกำลังที่จะหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆได้ ถ้าเราใช้กายกตาสติกก็คือใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือสร้างสติเราก็ต้องจดจ่อเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทำต่างๆของร่างกายตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับให้ใจเราจดจ่ออยู่กับร่างกายเพียงอย่างเดียวอย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถึงคนนั้นคนนี้ ถ้าเราอยู่คนเดียวไม่มีภารกิจการงานต่างๆเราก็จะสามารถควบคุมใจให้จดจอ่อเฝ้าอยู่กับร่างกายได้อย่างต่อเนื่องแต่ถ้าเรายังต้องมีภารกิจการงานต่างๆเรายังต้องพบปะบุคคลต่างๆต้องอยู่ในเหตุการณ์ต่างๆการที่จะควบคุมใจให้เฝ้าดูร่างกายอย่างต่อเนื่อง ย่อมเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากผู้ที่เจริญสติถ้าไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้ปรีกวผเวกก็จะไม่สามารถที่จะเจริญสติสร้างสติขึ้นมาได้นี่คือเหตุผลที่ทำไมจึงต้องไปเปรีบยบผู้เวกต้องไปอยู่ตามลำพังเพื่อที่จะได้ไม่มีอะไร มาดึงใจให้ออกไปจากภารกิจคือการจะนอนสติด้วยการจดจอ่อเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็จะคอยควบคุมดูการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ในทุกปิริยาบุในทุกการการทำต่างๆไม่ว่าจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอน ใจก็เฝ้าดูอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทำภารกิจอะไรต่างๆเช่นอาบน้ำล้างหน้าแปงรงฟันหวีผมแตะเนื้อแตงตัวทำอาหารรับประทานอาหารล้างถ้วยล้งางจานกวาดบ้านถูบ้านเราก็จะสามารถจดจอ่ออยู่กับการกระทำต่างๆเหล่านี้ได้ถ้าเรามีการจดจอ่อย่างต่อเนื่อง เราก็จะมีสติต่ตอเนื่องจิตจะตั้งมั่นจิตจะไม่ลอยไปลอยมาพอจิตตั้งมั่นเวลาเรานั่งหลับตาแล้วเฝ้าดูลหมหายใจเข้าออกจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายสาเหตุของผู้ปฏิบัตินั่งสมาธิแล้วใจไม่สงบก็เพราะว่าส ต, ติไม่มีกำลังมากพอที่จะดึงจิต ให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับอารมณ์ที่เราได้กำหนดไว้เช่นถ้าเรากาหนดลมหายใจเข้าออกจิตก็ไม่ยอมอยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่เดียวเดียวแล้วก็แว บ, บไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แล้วสักพักหนึ่งพอได้สติก็กลับมาดูลมหม่ถ้าทำอย่างนี้จิตก็จะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้ การจะเข้าสู่ความสงบได้สติจะต้องเป็นสัมปชัญญะคือจะต้องต่อเนื่องไม่มีเผลอไม่มีหายไปไหนให้มีเฝ้าอยู่กับอารมณ์ที่เป็นเครื่องกล่องใจเช่นอนาปนาสติคือลมหายใจเข้าออกหรือการบริกรรมพุทโธพุทโธคือพุทธานุสติอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ หรือบางท่านจะใช้สองอย่างผสมกันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ไม่จําเป็นจะต้องทําเหมือนกันทุกท่านบางท่านถ้าไม่ถนัดถนัดเพียงอย่างเดียวคือบริกรรมพุดโธอย่างเดียวก็ให้มีจิตจดจ่ออยู่กับคําบริกรรมอย่างเดียวบางท่านถนัดกับการดูลมอย่างเดียวก็เฝ้าดูลมอย่างเดียวบางท่านถนัดที่จะใช้พูดเข้าโทออก ก็ใช้ได้ขอให้เป็นถูกจริตกับเราก็แล้วกันแล้วก็ขอให้อย่าไปคิดอะไรต่างๆขอให้อยู่กับกิจที่เรากำลังทำอยู่คือจดจอ่อเฝ้าดูอารมณ์ที่เราได้กำหนดเอาไว้ถ้าการจดจอนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่องจะใช้เวลาไม่นานเลย5้านาทีสินาทีนี้ ก็สามารถเข้าสู่ความสงบได้พอจิตสงบแล้วจิตจะอยู่ได้นานไม่นานก็ขึ้นอยู่กับกำลังของสติในช่วงใหม่ๆแรกๆนี้จะอยู่ได้ไม่นานเพราะสติยังไม่มีกำลังมากพอจะวุบเข้าไปปั๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ถอนออกมาถอนออกมาแล้วก็เริ่มไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าเราอยากจะให้จิตกลับเข้าสู่ความสงบอีกเราก็ต้องเึงจิตให้มาจดจอ่ออยู่กับอารมณ์ที่จะผูกจิตไม่ให้ลอยไปลอยมาก็คือกลับมาหาลมหายใจใหม่กลับมาหาการบริกร ร, รมพุทโธพุทโธใหม่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้านั่งไม่ไหวก็ลุกขึ้นมาเดินก็ได้เวลาเดินเราก็กำหนด ใจให้เฝ้าอยู่อยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ต่อไปถ้าใช้ร่างกายก็ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเช่นดูที่เท้าก็ได้ว่าตอนนี้เรากําลังก้าวเท้าซ้ายหรือก้าวเท้าขวาอุปนิปปายวิธีให้เรามีงานทําให้ใจมีงานทําเพราะถ้าใจไม่มีงานทําเดี๋ยวก็จะลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ถ้ามีงานทําอยู่ ก็จะไม่สามารถไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้การเจริญสติเป้าหมายก็คือต้องการหยุดความคิดปุ่มแต่ดังนั้นเวลาเราเดินจบกรมเราเฝ้าดูเท้าเราก็ต้องสังเกตดูด้วยว่าเราดูแต่เท้าเพียงอย่างเดียวหรือว่าเราเริ่มไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วถ้าเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ต้องหยุด บอกใจว่าอยากคิดกลับมาดูเท้าต่อเราต้องการที่จะให้ใจตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันให้อยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่ให้ลอยไปที่อื่นพอเราเดินจนกระทั่งรู้สึกว่าเมื่อยอยากจะพักเราก็กลับมานั่งแล้วก็มาดูลมหายใจต่อหรือบริกรรมพุทโธพุทโธต่อ ถ้าเราทำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องแล้วการจะเข้าสมาธิต่อไปจะเป็นสิ่งที่ไม่ยากเย็นเลยและถ้าเราทำบ่อยๆทำนานเข้าแล้วเราก็จะเกิดความชนานาญจนสามารถเข้าสมาธิได้โดยไม่ต้องใช้ลมหรือใช้บริกรรมก็ได้เพียงแต่กำหนดจิตเฝ้าดูทำจิตให้ว่าหยุดความคิดปรุงแต่ ถ้าสติเรามีกำลังมากแล้วเราสามารถสั่งให้หยุดความคิดได้พอเราสั่งให้หยุดความคิดใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ขณะที่อยู่ในความสงบก็ควรจะให้สงบไปให้นานตอนนั้นยังไม่ใช่เป็นเวลาที่จะเจริญปัญญาการเจริญปัญญานี้เป็นการทำงานของจิตการทำสมาธินี้เป็นการพักผ่อนของจิต เวลาจิตพักผ่อนอย่าเอาไปทำงานเหมือนเวลาร่างกายนอนหลับอย่าไปปลุกร่างกายให้ตื่นขึ้นมาเพื่อเอาไปทำงานรอให้ร่างกายพักให้ได้เต็มที่ก่อนพอพักได้เต็มที่แล้วร่างกายก็จะตื่นขึ้นมาเองพอตื่นขึ้นมาแล้วถึงจะเป็นเวลาที่จะเอาร่างกายไปทำงานต่างๆ จั้นใดใจก็เป็นเหมือนร่างกายเช่นเดียวกันเวลาใจเข้าไปอยู่ในสมาธินี้เป็นเวลาพักผ่อนอย่าไปรบกวนปล่อยให้ใจพักผ่อนให้เต็มที่จนกว่าจะถอนออกมาเองพอถอนออกมาแล้วเริ่มคิดปรุงแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วทีนี้ก็เป็นการที่เราจะต้องเอาใจมาทำานาแล้วมาเจริญปัญญา การเจริญปัญญานี้ก็มีสองลักษณะด้วยกันคือการเจริญปัญญาแบบทาการบ้านและการเจริญปัญญาแบบเข้าห้องสอบตอนต้นเราก็ต้องัทำทาการบ้านไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเรายังไม่ได้ทาการบ้านเวลาเราเข้าห้องสอบเราจะไม่สามารถทําข้อสอบได้ดังนั้นในเบื้องต้นเวลาเรา ออกมาจากสมาธิแล้วถ้าไม่มีเหตุการ์บังคับให้เราเข้าห้องสอบเราก็ทำการบ้านไปเราก็พิจารณาถึงความทุกข์ต่างๆที่เรายังต้องเผชิญอยู่เช่นความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ที่เกิดจากความตายความทุกข์ที่เกิดจากการพ้าทาย จากสิ่งที่เรารักเราชอบไปเราต้องจำลองเหตุการณ์ขึ้นมาเช่นเวลาเรามองเห็นคนแก่ที่มีความลำบากลำบนจะทำอะไรก็รู้สึกลำบากยากเย็นเราก็ต้องระลึกถึงอนาคตของเราว่าต่อไปร่างกายของเราก็จะต้องเป็นอย่างนี้เวลาที่เราเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วย เราก็ต้องคิดถึงร่างกายของเราว่าสักวันหนึ่งร่างกายของเราก็ต้องเป็นอย่างนี้เวลาที่เราไปงานศงเราก็ต้องคิดว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันแล้วเราก็ต้องถามใจว่าเราทุกข์ไหมเวลาที่เราแก่เวลาที่เราแก่เวลาที่เราต้องเจ็บเวลาที่เราต้องตายถ้าเราทุกข์ก็แสดงว่าเรายังมีความอยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยู่ถ้าเรายัางไม่สามารถละความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ก็แสดงว่าเรายังไม่เห็นความจริงคือเราไม่สามารถที่จะไปยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายได้เพราะมันเป็นอนัตตามันไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมบังคับของใครทั้งนั้นมันเป็น มันเป็นสภาวะธรรมที่มีขั้นตอนคือมีการเจริญมีการตั้งอยู่แล้วก็มีการเสื่อมหมดไปอันนี้คือลักษณะของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของบุคคลต่างๆหรือจะเป็นสิ่งของต่างๆล้วนมีสภาพอันเดียวกันก็คือมีการเปลี่ยนแปลง มีการเจริญมีการเสือ่อมมีการหมดไปเป็นสภาพที่ไม่มีใครจะไปยับยัง้งไปห้ามได้ท่านถึงเรียกว่าเป็นอนัตตาไม่ได้เป็นของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของถ้ามีเจ้าของเจ้าของก็ต้องสั่งได้ว่าร่างกายนี้ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายแต่ถ้าสั่งไม่ได้ก็แสดงว่าร่างกายนี้ไม่ได้เป็นของ ผู้ที่สั่งนั้นเช่นเราเราไม่สามารถสัง่งหรือห้ามไม่ให้ร่างกายแก่ไม่ให้ร่างกายเจ็บไม่ให้ร่างกายตายได้ถ้าเรายังมีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยู่เราก็จะต้องมีความทุกข์ทรมานใจพอเราเห็นว่าความทุกข์ทรมานใจนี้เกิดจากการไม่ยอมรับความจริงถ้าเราอยากจะดับความทุกข์อยากจะไม่ มีความทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเราก็ต้องหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเท่านั้นเองไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากเย็นอะไรเลยปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความแก่ความเจ็บความตายปัญหาอยู่ที่ใจของเราที่ไม่ยอมรับความแก่ความเจ็บความตายเท่านั้นเองถ้ารับแล้วความแก่ความเจ็บความตายจะไม่เป็นปัญหากับเรา เราจะอยู่กับเขาได้อย่างสุขอย่างสบายเหมือนกับตอนที่เราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะใจเราไม่ได้ทุกข์ไปกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนั่นเองเช่นเดียวกับการพัดภาคจากสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆที่เรารักเราชอบก็เป็นอย่างเดียวกันเป็นสภาวะที่จะต้องเกิดขึ้น น่ะเป็นสภาวะที่ไม่มีใครจะยับยั้งข้ามได้ถ้าเรายับยั้งความอยากที่จะไม่พัดพากจากผู้อื่นจากสิ่งที่เรารักเราชอบได้เวลาเกิดจะเกิดการพัดพากจากกันก็จะไม่มีความทุกข์อยู่ภายในใจของเราเลยนี่แหละคือการดับความทุกข์เป็นการสร้างสารณนะเป็นการป้องกันความทุกข์ต่างๆ ที่จะไม่ให้เกิดขึ้นภายในใจของเราจะต้องใช้ปัญญาเป็นตัวกระทาสมาธิเป็นเพียงผู้สนับสนุนหรือดับความทุกข์ได้เพียงชั่วคราวเพราะใจไม่สามารถอยู่ในสมาธิไปได้ตลอดแต่ถ้าใจที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิแต่มีปัญญาคอยสอนใจให้ปล่อยวางให้หยุดความอยากต่างๆ ได้ใจก็จะไม่มีความทุกข์ไม่จำเป็นจะต้องเข้าสมาธิเพื่อดับความทุกข์รุนีความทุกข์แต่อย่างใดแต่ใจจะสามารถรเผชิญกับความทุกข์ทุกรูปแบบได้จะสามารถรเผชิญกับเหตุการณ์ทุกรูปแบบได้เพราะใจมันจะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆเพราะจะไม่มีความอยากให้เหตุการณ์ต่างๆเป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้ใจจะยอมรับ ความเป็นจริงแต่ถ้ายังอยู่ในฐานะที่จะทำอะไรได้เปลี่ยนแปลงอะไรได้ในบางสิ่งบางอย่างก็ทำได้ทำไปเช่นร่างกายถ้ายังรักษาได้ก็รักษาไปแต่ถ้าอยู่ถึงขั้นที่รักษาไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามความเป็นจริงแต่ใจจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับการที่ไม่สามารถรักษา ร่างกายนี้ให้หายได้ใจพร้อมที่จะให้ร่างกายนี้หมดสภาพไปเพราะใจรู้ว่าใจไม่ได้เป็นร่างกายนั่นเองนี่คือปัญญาที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ออกจากสมาธิแล้วเราต้องทําการบ้างก่อต้องพิจารณาอย่างนี้ไปก่อนไปเรื่อยๆพอเราเจอเหตุการณ์จริงขึ้นมาเราก็จะรู้ว่าเราผ่านหรือไม่ผ่าน ถ้าเรายังทุกข์อยู่ก็แสดงว่าเรายังไม่ผ่านเรายังไม่ยอมรับความจริงแต่ถ้าเราเห็นว่าถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราเพียงแต่ยอมรับความจริงเท่านั้นความทุกข์ก็จะหายไปตอนนั้นแหละจะเป็นเวลาที่เราจะเห็นความจริงยอมรับความจริงเพราะว่าเราไม่อยากจะทนทุกข์ต่อไปนั่นเองนี่คือวิธีสร้างความ สร้างสารณะสร้างที่พึ่งที่แท้จริงที่อยู่ไปกับเราไปตลอดเราก็คือใจที่พึ่งที่เราสร้างไว้ในใจนี้จะไม่หมดไปไม่เสื่อมไปเหมือนกับที่พึ่งที่เราสร้างไว้กับร่างกายเวลาร่างกายหมดสภาพไปเราก็ไม่สามารถพึ่งร่างกายและพึ่งสิ่งต่างๆที่ร่างกายหามาได้ ดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะเสียเวลากับการสร้างหรือเพิ่มสิ่งที่เราไม่สามารถเพิ่มได้อย่างถาวรขอให้เราหันมาหาที่เพึ่งที่ถาวรมาสร้างที่เพึ่อที่ถาวรนี้ให้กับใจเราเถิดแล้วเราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายจึงขอฝากเรื่องของการ นาวัดเพื่อมาสร้างที่พึ่งที่ถาวร น, นี้ให้ท่านได้นำมาไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ที่ถาวรและความสุขที่ถาวรที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยึติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณทัศ น, นรีลัตนาัย